8. สหธรรมิกะวัค 5. ตาราสัตติกะสิกขาบทว่าด้วยการเนื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นทำทีท่าว่าจะทำร้ายเรื่องพระชั ป, ปะคี4ี4สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูชั ป, ปะคีโกรธ ไม่พอใจเนื้อหออคือฝ่ามือจะทําร้ายพวกพิกสุสัตระสาวกีพวกพิสุสัตระสาวกาีเหล่านั้นกลัวการทําร้ายจึงร้องให้พิกษุทั้งหลายถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านร้องให้ทําไมพวกพิสุสัตระสาวกีตอบว่าท่านทั้งหลายพวกพิสุชาวคีกโกรธไม่พอใจเนื้อห่อคือฝ่ามือให้พวกกระผมขอรับบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพลนธนา ว่าไฉ น, นพวกพิสูจชัพพะีจึงโกรธไม่พอใจเงื้อหออคือฝ่ามือให้พิกษุ์ทั้งหลายเล่าครั้นพิกษุทั้งหลายตำหนีพวก พ, วกพิสษจชัพพะีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ